จเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็ถึงเรื่องการบรรยายประวัติของท่านพระมหาเถระ16รูปด้ยวยกันซึ่งเป็นชาวแควนโกสนที่เราเรียกกันว่าโสระสะเถระหรือโธระสะมนกุก โสราสามันมเทระทั้งหมดนี้จะได้กล่าวรวมๆกันไปเลยเพราะเหตุว่าพระเทระทั้งสิบกรูปที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นคนแข้งโกสมด้วยกันแล้วก็เป็นอาจารย์เป็นสิทธิ์อาจารย์เดียวกัน เกิดในตระกูลพรามเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ไปรเรียนไปกราบทูลถาม ป, ปัญหาพระพุทธองค์นั้นพร้อมด้วยกันที่อาจารย์สั่งไปประวัติของท่านพระเถระทั้งสิบหกโลกนี้ที่จะกล่าวลมลวงกันเพราะมีประวัติเหมือนกันนั้นก็ได้แก่ประวัติของท่านพระอจิตัปพระติสเมเณรยะพระปุณณะพระเมตตาคู พระโธตกะพระอุปสีวะพระนันทะพระเหมกะพระโตเทยะพระกัปตะพระชตุกันนิพระพัทราวุทะพระอุเทยะพระโปสาระพระโมกโมคราชะและพระปิงกียะทั้งหมดในการนี้รวมเป็นสิบหกท่านทั้งสิบหกท่านนี้ ถือกาเนิดเกิดในตระกูลของพรามหรือเรียกว่าวันณะของพรามในพระนครสาวัตถีซึ่งมีบิดามารดานั่นเป็นวันณะพรามเมื่อจเจริญเติบใหญ่ขึ้นมาตนเองก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับไตรเพคคือรทัทิของพราม โดยบิดาของตนนั้นได้นำไปฝากแก่อาจารย์อ า, อาจารย์ผู้มีชื่อว่าพรามภาวรีพรามภาวรีนี้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าพระเศษที่โกศลอาจารย์พร า, พรามพาวรีนี้นอกจากจะเป็นปุโรหิตแล้วก็ยังได้ เป็นอาจารย์สอนศิละปะวิทยาเกี่ยวกับเรื่องไตรเพศอีกด้วยเพื่อที่จะให้เป็นการจำง่ายๆซึ่งทั้ง16 ท, ท่านนี้เป็นมนกทั้ง16คนนี้อาจจะจำชื่อได้ยากเพราะฉะนั้นท่านพระอาจารย์ก็จึงได้แต่งชื่อของท่าน ของโสรสะมานพหรือว่าอบานพทั้งสิบหกท่านนี้เป็นฉันหรือว่าเป็นคาถาไว้ซึ่งมีนําต่อไปนี้อะจิโตติสมิตตโยปุณณโกอัเมตตะคูโทตะโกอุปสีโวจัพนันโทจัพอะทเหมะโก โตทยะกับปาชตุกณนนีพัทราวุธโจอุทโย ο, โปสาโลโมคราชาจักปิงคโยจาติโสรศสักนี่เป็นชื่อของมานุษย์หรือว่าเป็นชื่อของพระเถระทั้งสิบหกท่านเดวยกันทั้งสิบหกท่านนี้เมื่อจเจริญเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วบิดามารดาก็ได้นำไปฝาก ให้ศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาในสำนักของอาจารย์พาวพาวารีซึ่งเป็นปรโยหิตของพระเจ้าเปรเสติโกศลอยูต่อม า, รามพระพราวพาวารีนี้เกิดเบือหน่ายในฆลาวาสวิสัยคือในชีวิตฆราวาสก็จึงได้ถวายบังคมลาพระเจ้าปรเสติโกศลออกจากตาแหน่งปุโรหิต แล้วก็ออกบทเป็นชดินชดินซึ่งเป็นนักบทชนิดหนึ่งที่ไม่โปรงผมและไม่โปรงงนวดประพุทธตามวทธิของพรามณ์โดยตั้งอาสมอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโคทาโคทาวารีระหว่างเมืองอัสกะและอาลกะต่อกัน ที่มานกพร้อมด้วยมานกทั้งสิบหกคนตามที่เอ่ยชื่อมานี้และพร้อมกับบรรดาสิทธิอื่นๆก็ได้ออกบวชเป็นชดินติดตามไปอยู่กับอาจารย์ด้วยในบรรดามานกทั้งสิบหกคนนั้นมีปิงคิยะมานกคนหนึ่ง ซึ่งนอกจะเป็นศิษย์ของอาจารย์ภาวารีแล้วก็ยังได้เป็นหลานแท้ๆของอาจารย์ภาวารีอีกด้วยแต่นอกนั้นเป็นเพียงว่าเป็นศิษย์อย่างเดียวไม่ได้มีเชื้อสายเกี่ยวข้องกันทันอยู่ต่อมาอเมื่อพราหมณ์าวารีนั้นตั้งอาสมอยู่ที่ฝั่งริงฝั่งแม่น้าโคทาวารีแล้วก็ได้สั่งสอน ศิลปะและก็ไตรเพศแก่บรรดาศิทิ์อยู่ต่อมาท่านต่อมาพราม ภ, ภาวลีนี้ก็ได้ทราบข่าวว่าเจ้าชายศิลปะตุมันผู้เป็นพระราชโอรสของศักยัตรกรุนั้นได้เสด็จออกบรรพชาแล้วก็ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณและได้แสดงทมสั่งสอน ประชาชนโดยทั่วไปซึ่งประชาชนนั้นมีความเชื่อและความเลื่อมใสในพระองค์ยอมเป็นสาวกพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนกันเป็นอันมากดังนั้นพรามพาวลีนี้ก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าจะเป็นจริงหรือไม่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ประกาศตนเองว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะ เป็นศาสดาเอกของโลกก็คิดจะหาวนทางสืบหาข้อเท็จจริงก็จึงเรียกมานกทั้ง16คนซึ่งมีอชิตะมานกเป็นหัวหน้าซึ่งเป็นสิิซึ่งเป็นสิ ท, เ, สทเรียกว่าเป็นสิธิรุ่นมีความรู้หรือมีปัญญาเป็นสิธิ์รุ่นหัวกะทิในบรรดาสิททั้งหลายให้ไปกราบทูล ถามพระบรมศาสดาถามปัญหาโดยที่พราหมณ์ภาวลีนั้นได้ผูกปัญหาให้แก่มนกผู้เป็นสิทธนั้นให้คนละหมวดละหมดให้ไปเรียนถามกราบทูลถามพระบรมศาสดาดูว่าจะเป็นพระบรมศาสดาจริงหรือไม่ถ้าเป็นจริงแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาของตัวเองได้อันนี้เพื่อต้องการจะสืมหาข้อเท็จจริง อาชิตามานพพร้อมด้ยวยานพทั้งสิบห้าคนทั้งเดเวอมานพพราอ่านทั้งสิบห้าคนและก็บริวาร น, นั้นก็จึงได้ลาพรามภาวลีผู้เป็นอาจารย์แล้วก็พากันมาเฝ้าทรงบรมศาสดานั้นที่ปาสาะเจดีแคว้นมกุทลัก เมื่อมาถึงที่ประทับของพระบรมศาสดาแล้วก็กราบทูลขอโอกาสถามปัญหาคนละหมดละหมดเมื่อพระบรมศาสดานั้นประทานโอกาสอนุญาตให้แล้วอะชิตะามานกซึ่งเป็นหัวหน้าก็ได้กราบทูลถามปัญหาขึ้นก่อน ปัญหาของอจิตตมานกนั้นก็มีว่าโลกคือหมู่สัตว์อะไราปิดบังไว้จึงดุจอยู่ในความมืดเพราะอะไรเป็นเหตุจึงไม่มีปัญญาเห็นปรากฏพระองค์ตรัสว่าอะไรเป็นเครื่องฉาบไรสัตว์โลกนั้นให้ปิดอยู่ และทร ง, งตรัสว่าอะไรเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกพระบรมศาสดาก็ทรงพยากรณ์ว่าโลกคือมูสัตว์อันอวิชาคือความไม่รู้แจ้งปิดบังไว้จึงหลงอยู่ดุบในที่มืดเพราะความอยากมีประการต่างๆและความประมาทเลื่อ ยังไม่มีปัญญาเห็นปรากฏเรากล่าวว่าความอยากเป็นเครื่องฉาบไล่สัตว์โลกให้ติดอยู่ในโลกและเรากล่าวว่าทุกเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกนั้นอชิตะมานก็จึงได้กราบทูลถามต่อไปว่าขอพระองค์จงจงตรัสตอบว่าอะไรเป็นเครื่องห้ามเครื่องกันความอยาก และความอยากนั้นจะละได้เพราะอะเพราะกรรมอะไรพระองค์ก็ส่งพยากรณ์ว่าเรากล่าวว่าสติเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องป้องกันความอยากนะั้นและความอยากนั้นจะละได้เพราะปัญญาอาชิตามานกก็ทูลถามต่อไปปัญญาและสติ กับนามารุปนั้นจะดับณที่ไหนข้าพระรูเจ้ากราบทูลแล้วขอพระองค์ตรัสบอกความข้อนนี้แก่ข้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสตอบว่าเราจะแก้ปัญหาที่ท่านถามถึงที่ดับนามารุปสิ้นเชิงไม่มีเหลือแก่ท่านเพราะวิญญาณดับไปนามารุปจึงดับไปณที่นั่นเอง อจิตะมนก็กทูลถามต่อไปชนผู้มีธรรมได้พิจารณาเห็นแล้วและชนยังต้องศึกษาอยู่สองพวกนี้มีอยู่ในโลกเป็นอันมากข้าพระพุทธเจ้าขอกราบทูลถึงความประพฤติของชนสองพวกนั้นพระองค์มีปัญญาแก่กล้าขอจงตรัส บ, บอกแก่ข้าพระพุทธเจ้า พระบรมศาสดาก็จึงตรัสตอบว่าภิกษุมีธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่านารชนผู้ยังต้องศึกษาอยู่ต้องเป็นคนไม่กำหนักในกามทั้งหลายมีใจไม่คุณมัวฉลาดในธรรมทั้งปวงมีสติอยู่ทุกอิริยาบถนี่เป็นปัญหาของอจิตตมานกุกเมื่ออจิตตมานุกถาม เมื่ออาธิตะมานพถามแล้วเรียบหมดปัญหาแล้วติสมิตเยะมานพ ก, ก็จึงได้ถามต่อไปเป็นอันดับที่สองว่าใครชื่อว่าเป็นผู้สันโดษคือยินดีมีความสุขความพอใจด้วยปัจจัยที่หามาได้ด้วยความเพียรอันชอบธรรมของตน ความอยากขึ้นเป็นเหตุทเยอทยานวิลลนของใครไม่มีใครรู้ส่วนข้างปลายทั้งสองคืออดีตกับอนาคตด้วยปัญญาแล้วไม่ติดอยู่ในส่วนท่ากลางพระองค์ตรัสว่าใครเป็นพระมหาบุตรใครเล่วงความอยากอันผูกใจสัตว์ไว้ในโลกนี้ด้วยได้เป็นเครื่องเย็ดผ้าให้ติดกันไว้ฉะนั้นลบได้เป็นเครื่องเย็ดผ้าให้ติดกันฉะนั้น พระบรมศาสดาต่อทรงพยากรณ์ว่าภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์สำมรลมในการทั้งหลายปราศจากความอยากแล้วมีสติระลึกได้ทุกเมื่อพิจารณาเห็นชอบแล้วดับเครื่องร้อนกระวนกระวายเสียได้ชื่อว่าเป็นผู้สันดกคือเต็มความประสงค์ในโลกนี้ ความอยากซึ่งเป็นเหตุทะเยธยานวิ่นหลนของภิกษุนี้ไม่มีภิกษุนั่นแลรู้ส่วนข้างปลายทั้งสองด้วยปัญญาแล้วไม่ติดอยู่ในส่วนท่ากลางเรากล่าวว่าภิกษุนั่นแหลเป็นมหาบุรุษภิกษุนั่นแลเะื่องความอยากอันผูกใจสัตว์ไว้ในโลกนี้ได้บุกได้เป็นเครื่องเย็บผ้าให้ติดกันไว้ฉะนั้น เมื่อติสเมเตยะถามจบปุณณะกมานกก็จึงได้ถามกราบทูลถามปัญหาที่อาจารย์ถกให้ตนถามต่อไปปุณนนกะมานพกก็กราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าแบบนี้มีปัญหามาถึงพระองค์ผู้หาความหวาดหวันน่นมีได้เหตุที่เป็น ลากง่าของสิ่งทั้งปวงข้าพระพุทธเจ้าขอทูลถามมูมนุษย์ในโลกนี้คือฤาษีกระสักพรามเป็นอันมากอาศัยอะไรจึงบูชายันเบื้องสูงเทวดาขอพระองค์จงตรัสบอกความนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าพระบรมศาสด า, า, า, าจึงทรงพยากรณ์ว่ามูมนุษย์เหล่านั้นอยากได้ของที่ตนปรารถนา อาศัยของที่มีชลาสุโสมจึงบูชายัญบวงสูงเทวดาอุณาเกะก็จึงได้กราบทูลถามต่อไปว่ามูมนุษย์เหล่านั้นถ้าไม่ประมาทในยันของตนจะข้ามพ้นชาติชราได้บ้างหรือไม่พระบรมศ า, ศาสดาก็จึงทูลก็จึงได้รตรัสตอบว่ามูมนุษย์เหล่านั้นเมื่อลาบที่ตนหวัง จึงผู้สรรเสริญการบูชายันรำพันสิ่งที่ตัวใคร่ดังนั้นก็เพราะอาไต่ละเรากล่าวว่าผู้บูชายันเหล่านั้นยังเป็นคนกำหนัดยินดีอยู่ในพบไม่ข้ามพ้นชาติชลาไปได้ปุณาณากก็จึงได้กราบทูลถามต่อไปว่าถ้าผู้บูชายันเหล่านั้นข้ามพ้นชาติชาลาและยันของตนไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ใครเล่าในเทวโลกหรือในมนุส์โลกจะข้ามคนชาติชลาได้พระบรมศาสดาก็จึงตรัสตอบว่าความอยากขึ้นเป็นเหตุทะเยอทะยานดิ้นรนในโลกไหนๆของผู้ใดไม่มีเพราะได้พิจารณาเห็นธรรมที่ยิ่งและย่อนในโลกเรากล่าวว่าผู้นั้น ซึ่งสงบประนับได้ไม่มีทุจริตความประพฤติ ช, ชั่วอันจะทำให้มือหมองบุดควันไฟอันจับเป็นขมเหม่าไม่มีกิเลสอันจะกระทบจิตหาความทะเยอทะยานไม่ได้เป็นผู้ที่ข้ามพ้นชลาชาฉชลาไปได้แล้วเมื่อปุณะถามปัญหาทูลถามปัญหาจบ เมตรูนนกอจึงได้กราบทูลปังหาเป็นอันดับที่สี่หรือเป็นคนที่สี่ต่อไปเมตรูก็ทูลกราบทูลถามว่าข้าพระพุทธเจ้าขอทูลถามขอพระองค์ทรงจักบอกข้อความที่จะที่จะทูลถามนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอทราบว่าพระองค์ถึงที่สุดไตรเพศ มีจิตอันได้อบรมดีแล้วทุกนในโลกหลายประการไม่ใช่แต่อย่างเดียวนี้มีมาแล้วแต่อะไรพระบรมศาสดาทรงพยากรณ์ว่าท่านถามเราถึงเหตุเป็นแดงเกิดแห่งทุกเราจะบอกแก่ท่านตามรู้ตามเห็นทุกนในโลกนี้มีอุปธิ คือกรรมและกิเลสเป็นเหตุล้วนเกิดมาแต่เกิดมาก่อนแต่อุปธิผู้ใดเป็นคนเผาไม่รู้แล้วไปทาอุปธินั้นให้เกิดขึ้นผู้นั้นย่อมถูกถึงทุกหนึ่งเรื่องเหตุนั้นเมื่อรู้เหตุว่าอุปธิแดงเกิดแห่งทุกเธออย่าได้กระทาให้เกิดมีขึ้นเมตกูรก็จึงได้กราบทูลถามต่อไปว่า ข้าพระพุทธเจ้าทูลถามข้อใดก็ทรงแก้ข้อนั้นประทานแก่ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอถามข้ออื่นอีกขอพระองค์ทรงแก้อย่างไรผู้มีปัญญาจึงข้ามพ้นห้วงทะเลใหญ่คือชาติลาและโศกที่ลายลำพันเสียได้ขอพระองค์ทรงแก้ข้อนั้นประทานแก่ข้าพระพุทธเจ้า เพราะว่าทำนั้นพระองค์ทรงทราบแล้วพระพุทธองค์ก็จึงได้ตรัสตอบว่าเราจะแสดงธรรมที่จะพึงเห็นแจ้งโดยตนเองอัตภาพนี้ไม่ต้องพิสวงตามคำของผู้อื่นว่าคืออย่างนี้อย่างนี้ที่บุคคลได้ทราบแล้วจะเป็นผู้มีสติดำเนินข้ามความอยากอันให้ติดอยู่ในโลกเสียได้แก่ท่าน เมตกูมาน ก, ก็จึงได้กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ายินดีทมที่สูงสุดเป็นอย่างยิ่งพระพุทธองค์จึงได้ตรัสตอบว่าท่านรู้อย่างใดอย่างหนึ่งในส่วนเรื่องบนคืออนาคตในส่วนเรื่องต่ำคืออดีตในส่วนท่ามกลางคือปัจจุบันจงบรรเทาความเพื่เพลิคพลพลนความยึดมั่นในส่วนเหล่านั้นเสียวิญญาณของท่านจะไม่ตั้งอยู่ในภพ ภิกสุผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้มีสติไม่เละเลอะได้ทราบแล้วละความถือมั่นว่าเป็นของเราเสียได้แล้วจะละทุกข์คือชาติชลาและโสกพิไรลำพันในโลกนี้เสียได้เมตครูก็จึงได้กราบทูลถามต่อไปว่าข้าพระพุทธเจ้าชอบพระวาจาของพระองค์เป็นอย่างยิ่งทำแม้ท่านผู้รู้ ที่พระองค์ทรงสั่งสอนอยู่เป็นนิจไม่หยุดหยอนคงละทุกนั้นด้วยเป็นแน่เหตุนั้นข้าพุทธเจ้าจึงได้มาถวายบังคมด้วยตั้งใจจะให้ทรงสั่งสอนข้าพระพุทธเจ้าเป็นนิดไม่หยุดหยอนเหมือนอย่างนั้นบ้พระพุทธองค์ก็จึงได้ต่ตอไปว่าท่านรู้ว่าผู้ใดเป็นพรามถึงที่สุดจบไตรเพศไม่มีกิเลสเพื่องังบล ไม่ติดข้องอยู่ในกามาพุกผู้นั้นแหละข้ามห่วงเหตุแห่งทุกข์มุดห่วงทะเลอันใหญ่นี้ได้แน่แล้วขั้นข้ามถึงฝั่งได้แน่แล้วเป็นคนไม่มีกิเลสอันตรึงจิตสิ้นความสงสัยผู้นั้นท่านรู้แล้วถึงที่สุดจบไตรเพศในศาสนานี้และทําเป็นเหตุติดข้องอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เสียได้แล้ว เป็นคนมีความอยากสิ้นแล้วไม่มีกิเลสอันจะกระทบทิศหาความอยากทะยทะยานไม่ได้เรากล่าวว่าผู้นั้นแหละข้ามพ้นชาติชลาได้แล้วเมื่อเมตคุคูปราบทูลปัญหาจบโทตระมาณตกก็จึงถามเป็นอันดับที่ห้าวา่าข้าพระพุทธเจ้าขอทูลถามพระองค์ ขพระองค์จงตรัส บ, บอกแก่ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าอยากจะฟังพระวาจาของพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังสุรเสียงของพระองค์แล้วทุ่งศึกษาข้อปฏิบัติซึ่งเป็นเครื่องดักกิเลสของตนพระพุทธองค์ก็ทรงพยากรณ์ว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงเป็นคนมีปัญญามีสติทำความเพียรในาศาสนานี้เธอ โทตกะมานก็จึงเดินตุลาถุถามต่อไปว่าข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นพระองค์ผู้เป็นผลำหากังวลม่ได้เที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุสโลกเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอถวายบังคมพระองค์ขอพระองค์ทรงเปลื้องข้าพระพุทธเจ้าเสียจากความสงสัยเถึงพระพุทธองค์ก็จึงรตรสตับว่าเราจะเปลื้องใครๆ ใ, ในโลก คู่ยังมีความสงสัยอยู่ไม่ได้เมื่อเธอรู้ทำอันประเสริฐก็จะข้ามทะเลใหญ่คือกิเลสอันนี้เสียได้เองโพธิกะก็จึงได้ ก, กราบทูลต่อไปว่าพระองค์ทรงพระกรุณ า, าแสดงธรรมอันสงัดจากกิเลสที่ข้าพระพุทธเจ้าใค ร, ร่รู้สั่งสอนข้าพระพุทธเจ้าให้เป็นคนโปร่งไม่ขัดข้อง ดุจอาการสงบระงับกิเลสเสียได้ไม่อาศัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเที่ยวไปในโลกนี้พระพุทธองค์จึงตรัสตอไปว่าเราจะบอกอุบายระงับกิเลสซึ่งจะเห็นเองได้ไม่ต้องเชื่อตามตื่นข่าวที่บุคคลได้ทราบแล้วมีสติข้ามความอยากที่ตรึงใจไว้ในโลกเสียได้แก่ท่านโทตกะจึงกราบทูลตอไปว่า ถ้าพระพุทธเจ้าชอบอุบายเครื่องระงับกิเลสอันสูงสุดเป็นอย่างยิ่งพระพุทธองค์จึงได้ตรัสต่อไปว่าถ้าท่านรู้ถ้าเธอรู้ว่าความทยานอยากทั้งเบื้องบนเบื้องต่าท่ามกลางเป็นเหตุให้ติดข้องอยู่ในโลกเธออย่าทําความทยานอยากเพื่อจะเกิดในพบน้อยพบใหญ่เลยเมื่อโทตจักรานก กราบทูลถามจบแล้วอุปศีวานกจึงได้กราบทูลถามเป็นอันดับที่หกว่าลําพังข้าพระพุทธเจ้าผู้เดียวไม่ได้อาศัยอะไรและไม่อาจข้ามห่วงทะเลใหญ่คือกิเลสได้ขอพระองค์ตรัสบอกอารมณ์ที่งวงเหนียวซึ่งข้าพระพุทธเจ้าควรอาศัยข้ามห่วงนี้แก่ข้าพพุทธเจ้าเถิด พระพุทธองค์ก็จึงเทตัดพยากรต่อไปว่าเธอจงเป็นผู้มีสติเพ่งอากินจัญญายะตนะชานอาศัยอารมณ์ว่าไม่มีไม่มีดังนี้ข้ามห่วงเสียเถิดท่านจงละกามทั้งหลายเสียเป็นคนเว้นจากการสงสัยเห็นธรรมที่สิ้นไปแห่งความทะเยอทะยานอยากได้ปรากฏชัด ทั้งกัางวันกางคืนเถิดอุปสีวะจึงได้กราบทูลถามต่อไปว่าผู้ใดปราศจากความกำหนัดในกรรมทั้งหลายทั้งปวงแล้วล่วงฌานอื่นได้แล้วอาศัยอากินจัญญายาตนาฌานคือความเพ่งใจว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นอารมณ์น้อมใจแล้วในอากินจัญญายาตนาฌาน ซึ่งเป็นธรรมที่ปลื้มสัญญาอย่างประเสริฐสุดผู้นั้นจะตั้งอยู่ในอากินจัญญายตนะฌานนั้นไม่มีเสื่อมบ้างหรือพระองค์ก็ตรสอบว่าผู้นั้นจะตั้งอยู่ในอากินจัญญายตนะฌานนั้นไม่เสื่อมอุปสีวะจึงได้กราบทูลถามต่อไปว่าถ้าผู้นั้นจะตั้งอยู่ในอากินจัญญายตนะฌานนั้นไม่มีเสื่อมสิ้นไปเป็นอันมา เขาจะเป็นคนยั่งยืนอยู่ในอากินจัญญาเยตนะฉานนั้นหรือจะดับขันทัปรินิพานวิญญาณของคนเช่นนั้นจะไปฉันใดจะเป็นฉันใดพระพุทธองค์ตรัสตอบไปว่าเกลวไฟอันกําลังลมเป่าแล้วดับไปไม่ถึงความนับว่าได้ไปแล้วข้างทิศไหนฉันใดท่านผู้รู้พ้นไปแล้วจากกองงามรูป ย่อมดับไม่มีเหลือคือดับพร้อมทั้งกิเลสทั้งขันไม่ถึงความนับว่าไปเกิดเป็นอะไรฉันนั้นนั่นแหละอุปปสีว่าก็จึงได้กราบทูลถามต่อไปว่าท่านผู้ดับไปแล้วหรือเป็นแต่ไม่มีตัวหรือจะเป็นผู้ตั้งอยู่ยั่งยืนหาอันตรายไม่ได้ขอพระองค์ทรงพยากรณ์ความข้อนั่งแก่ข้าพระพุทธเจ้า เพราะว่าทานั้นพระองค์ได้ทรงทราบแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงพยากรณว่าประมาณแห่งเบญจขันธ์ของผู้ดับขันธปรินิพานแล้วมิได้มีกิเลสซึ่งเป็นเหตุกล่าวผู้นั้นว่าไปเกิดเป็นอะไรขอผู้นั้นอของผู้นั้นก็มิได้มีเมื่อทาทั้งหลายมีขันธ์เป็นต้นอันผู้นั้นได้ขจัดให้หมดไปแล้วก็ตัดทางแห่งถ้อยคา ที่จะพูดถึงนั่นว่าเป็นอะไรเสียทั้งหมดนี่เป็นปัญหาของอุปสีวะมนกได้กราบทูลถามพระพุทธองค์เอาละท่านสาธุชนและนักศึกษาทั้งหลายวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ขอความเจริญภาสุขจงมีแก่ท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนทุกท่านด้วยกันขอเจริญพร จเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมะทั้งหลายวันนี้ก็จะบรรยายถึงประวัติของท่านพระเถระสิบหกองต่อซึ่งในครั้งที่แล้วนั้นได้กล่าวมาถึง ปัญหาของอุปสีวะซึ่งได้ทูลถามพระพุทธองค์เป็นอันดับที่หกวันนี้ก็ถึงอันดับของท่านพ่านันทะของนันทกะมนกซึ่งได้กลาบทูลถามเป็นอันดับที่เจ็ดต่อไปนันทะกะได้กราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าชนทั้งหลายกล่าวว่ามุนี อยู่ในโลกดังนี้ข้อนี้เป็นอย่างไรเขาเรียกคนถึงด้วยฌานหรือถึงพร้อมด้วยการเลี้ยงชีวิตว่าเป็นพระมุนีพระพุทธองค์ตรัสรกากรว่าผู้ฉลาดในโลกนี้ไม่กล่าวคนว่าเป็นมุนีด้วยความเห็นด้วยความสดับ หรือด้วยความรู้เลากล่าวว่าคนใดทำให้ตนปราศจากกิเลสเป็นคนหากิเลสม่ได้ไม่มีความกังวลทยานอยากเที่ยวไปอยู่คนผู้นั้นแหละชื่อว่า ม, มุนีนัทกะกราบทูลถามต่อไปว่าสมณัพราหมเหล่าใดเหล่าหนึ่งกล่าวความบริสุทธิ์ด้วยความเห็นด้วยความฟัง ด้วยศีลและพรตและด้วยวิธีเป็นอันมากสมณพราหมณ์เหล่านั้นประพฤตในวิธีเหล่านั้นตามที่ตนเห็นว่าเป็นเครื่องบริสุทธิ์ข้ามพน้นชาติชลาได้แล้วบ้างหรือหาไม่ข้าพระพุทธเจ้าขอถูนถามขอพระองค์ทรงตรัสบอกความข้อนั้นแก่ข้าพระองค์เถิด พระพุทธองค์ตรตัสตอบว่สมณะพราหมณ์เหล่านั้นแม้ถึงประพฤติอย่างนั้นเรากล่าวว่าพ้นชลาไม่ได้นันทกะจึงทูลถามต่อไปว่าถ้าพระองค์จรัดว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นข้ามห่วงไม่ได้แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นใครเล่าในเทวโลกหรือในมนุษยโลกข้ามพ้นชาชลาได้ พระพุทธองค์ก็จึงได้ดตรัสตอบไปว่าเราไม่กล่าวว่าสมณะพราหมณ์อันชาติชลาครอบงำแล้วหมดทุกคนแต่เรากล่าวว่าสมณะพาราหมณ์เหล่าใดในโลกนี้ละอารมณ์ที่ตนได้เห็นได้ฟังได้รู้และศีลพจ์กับพิธีเป็นอันมากเสียทั้งหมดกำหนดรู้ตัณหาว่าเป็นโทษควรละแล้ว เป็นผู้หาอาสะวะมีได้สมณพราหมณ์เหล่านั้นแลข้ามห่วงได้แล้วนันทกะก็จึงได้ทูลถามต่อไปอีกว่าข้าพระรู้เจ้าชอบใจในพระวาจาของพระองค์เป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงสแสดงธรรมอันไม่มีอุปธิคือกิเลส ช, ชอบแล้ว แม่ข้าพระพุทธเจ้าก็เรียกสมณะพราหมณ์เหล่านั้นว่าผู้ข้าม่วงได้แล้วเหมือนพระองค์ตรัสเมื่อนันเกะได้กราบทูลปัญหาจบเสร็จแล้วเหมะกะมานกก็จึงได้กราบทูลปัญหาเป็นอันดับที่แปดว่า ในปางก่อนแต่ศาสนาของพระองค์อาจารย์ทั้งหลายได้ยืนยันว่าอย่างนั้นได้เคยมีมาแล้วอย่างนี้จะมีต่อไปข้างหน้าคำนั้นร้วนเป็นแต่ว่าอย่างนี้แลอย่างนี้แลสำหรับแต่จะทำความตรึกให้ฟุ้งมากขึ้นข้าพระพุทธเจ้าไม่พอใจในคำนั้นเลย ขอพระองค์ตรัสบอกธ ร, รมเป็นเหตุถอนตัณหาที่ข้าพระพุทธเจ้าทราบแล้วจะพึงเป็นคนมีสติข้ามล่วงตัณหาอันให้ติดอยู่ในโลกแก่ข้าพระพุทธเจ้าเถิดพระพุทธองค์จึงได้ตรัสพยากรว่าชนเหล่าใดได้รู้ว่าพระนิพพานเป็นที่บรรเทาความกำหนัดพอใจในอารมณ์เป็นที่รัก ซึ่งได้เห็นแล้วได้ฟังแล้วได้ดมแล้วได้ชิมแล้วได้ถูกต้องแล้วและรู้แล้วด้วยใจและเป็นธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นแล้วเป็นคนมีสติมีธรรมะอันเห็นแล้วดับกิเลสแล้วชนผู้สงบระงับกิเลสได้แล้วนั้นข้ามล่วงสัณหาอันให้ติดอยู่ในโลกนั้นได้เมื่อเหมกะ กราบทูลจบแล้วโตเทยะมานกจึงได้กราบทูลถามปัญหาเป็นอันดับที่ก้าว่าตามทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในผู้ใดตัณหาของผู้ใดไม่มีและผู้ใดข้ามล่วงความสงสัยเสียได้ความพ้นของผู้นั้นเป็นเช่นไรพระบรมศาสดาจึงตรัสยากรว่า ความพ้นของผู้นั้นจะเป็นอย่างอื่นอีกไม่มีผู้นั้นพ้นจากกามจากตัณหาจากความสงสัยแล้วกรมก็ดีตัณหาก็ดีจะกลับเจริญขึ้นแก่ผู้นั้นต้องภาคเพียรพยายามเพื่อจะทำตนให้พ้นอีกหาไม่ได้ความพ้นของผู้นั้นเป็นอันคงที่ไม่แปรผันเป็นอย่างอื่น โตเทยะจึงกราบทูลถามต่อไปว่าผู้นั้นเป็นคนมีความทะเย อ, ท ะ, เยอทะยานหรือไม่มีเป็นคนมีปัญญาแท้หรือเป็นแต่ก่อตันหาและทิฏฐิให้เกิดขึ้นด้วยปัญญาข้าพระพุทธเจ้าจะรู้จักท่านผู้มุนีนั้นได้ด้วยอย่างไรขอพระองค์บอกแก่ข้าพุทธเจ้าเถิด พระพุทธองค์ก็จึงตรัสพยากรณ์ว่าผู้นั้นเป็นคนไม่มีความหวังทะเยอทะยานจะเป็นคนมีความหวังทะเยอทะยานก็หาไม่เป็นคนมีปัญญาจะเป็นคนก่อตัญหาทิฏฐิให้เกิดขึ้นด้วยปัญญาก็หาไม่เธอจะรู้จักมุนีว่าคนไม่มีกังวลไม่ติดอยู่ในกามภพอย่างนี้เถอะ เมื่อโตเทยะกราบทูลถามปัญหาจบแล้วกับปะมานุกก็จึงได้ทูลถามปัญหาเป็นอันดับที่สิบตอไปว่าขอพระองค์ตรัสบอกธรรมะซึ่งเป็นที่พึ่งพานักของชนอัญชลาและมรณะมาถึงรอบข้างดลุดเกาะเป็นที่พึ่งพานัก อาศัยของชนซึ่งผู้ตั้งอยู่ในถ้ำกลางสาครเมื่อเกิดคลื่นที่น่ากลัวใหญ่แก่ข้าพระพุทธเจ้าอย่าให้ทุกนี้มีได้อีกพระบรมศาสดาก็จึงได้ตรัสว่าเรากล่าวว่านิพานอันไม่มีกิเลสเครื่องนจังวลไม่มีตัณหาเครื่องถือมั่นเป็นที่สิ้นแห่งชลาและมรณะนี้แหละเป็นบุดเกาะ หาใช่ทำอื่นไหมชนเหล่าใดรู้นิพพานนี้แล้วเป็นคนมีสติธรรมะอันเห็นมีมีธรรมะอันเห็นแล้วตัดกิเลสได้แล้วชนเหล่านั้นไม่ต้องตกอยู่ในอำนาจของมานไม่ต้องเดินไปในทางของมานเลยเมื่อกัปะมานพเด้ดกราบทูลถามปัญหาจบแล้ว ชาตุกั น, นีมานกก็จึงได้กราบทูลถามปัญหาเป็นอันดับที่สิบเอ็ดมีใจความว่าถ้าพระพุทธเจ้าได้ทราบว่าพระองค์ไม่ใช่ผู้ใคร่กามข้ามล่วงห่วงกิเลสเสียแล้วจึงมาเฝ้าเพื่อจะทูลถามพระองค์ผู้หากิเลสสกา ม, มีได้ และขอพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีปัญญาดุจ ด, ดวงตาเกิดพร้อมด้วยการตรัสรู้จงแสดงธรรมอันละงับแก่ข้าพระพุทธเจ้าโดยท่องแท้เหตุว่าพระองค์ผู้ทรงะจมกิเลสกามให้แห่งหายได้ดุจพระอาทิตย์อันส่องแผ่นดินให้แห่งด้วยลัศมีขอพระองค์ผู้มีปัญญากว้างขวางราวกับแผ่นดิน ตรัส บ, บอกทรรมเป็นเครื่องละชาติฉลาในอัตภาพนี้ข้าพระพุทธเจ้าควรจะทราบแกข้าพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาน้อยเถิดพระพุทธองค์ก็ทรงพยากรณ์ว่าเธอจงนำความกำหนัดในกามเสียให้สิน้นเห็นความออกไปจากกามโดยความกเกษมเถิดกิเลสเป็นเครื่องกังวล ที่ท่านยึดไว้ตัณหาและทิฏฐิซึ่งควรจะละเสียอย่าได้เสียแทงใจของท่านกังวลใดได้มีแล้วในปางก่อนขอเธอจงให้กังวลนั้นเกิดแห้งหายไปกังวลใดอันมีในภายหลังอย่าได้มีให้มีแก่ท่านถ้าจัก ไม่ถือเอากังวลใน่าำกลางเธอจักเป็นคนสงบระงับกังวลได้เที่ยวไปอยู่อาศวะกิเลตซึ่งเป็นเหตุถึงอำนาจแห่งมัจจุราชของชนผู้ปราศจากกำหนับในกามโดยอาการทั้งปวงมิได้มีเมื่อเชอตุกันนีได้กราบทูลถามปัญหาจบแล้วพัทราวุฒะมานพ ก็จึงได้กลาบทูลปัญหาถามปัญหาเป็นคนที่้าเป็นคนต่อไปซึ่งพระราวุตะได้กลาบทูลถามปัญหาว่าข้าพระพุทธเจ้าขออทูลอารัธนาพระองค์แล้วผู้ทรงละอาลัยตัดตัญหาเสียได้ไม่วันไหวเพราะโลกธรรม ละความเพื่อเพลิดเพลินเสียได้ข้ามห่วงกิเลสพ้นไปแล้วพระทาเป็นเครื่องให้ดำริไปต่างๆคือตัณหาและทิฏฐิได้แล้วมีพระปรีชาอันดีคนที่อยู่ชนบทต่างๆอยากจะฟังพระวาจาของพระองค์พร้อมกันมาแล้วจากชนบทนั้นๆได้ฟังพระวาจาของพระองค์แล้วจะกลับไปจากที่นี้ ขอพระองค์ทรงแก้ปัญหาเพื่อชนเหล่านั้นเพราะว่าทำนั้นพระองค์ได้ทรงทราบแล้วพระบรมศาสดาจึงทรงพยากรณ์ว่ามูชนนั้นควรจะนำตัณหาที่เป็นเหตุถือมั่นในส่วนเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวาและทํามกลางทั้งหมดให้สิ้นเชิงเพราะเขาถือมั่นสิ่งใดๆในโลก มารย่อมติดตามเขาได้ในสิ่งนั้นนั้นเหตุนั้นเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นหมูสัตว์ผู้ติดอยู่ในวะตฏะเป็นที่ตั้งแห่งมานนี้ว่าติดอยู่เพราะความถือมั่นดังนี้พึงเป็นคนมีสติไม่ถือมั่นกังวลในโลกทั้งปวงเมื่อพระพุทวุฒะได้กราบทูลปัญถามปัญหาจบแล้วอุทยมามนก ก็จึงได้กราบทูลถามปัญหาเป็นคนที่สิบสามความว่าข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะทูลถามปัญหาจึงมาเฝ้าพระพุทธองค์ผู้นั่งบำเพญญ็ญฌานมีสัพระสันดานปราศรจากกิเลสทุลีหาอาสวะมีได้ได้ทรงรทมกิจที่จำต้องทำเสร็จแล้วบรรลุถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวง ขอพระองค์จงสแสดงธรรมเป็นเครื่องพ้นจากกิเลสที่ควรรู้ทั่วถึงซึ่งเป็นเครื่องทาลายทาลายอาวิชชาความเขลาไม่รู้แจ้งพระบรมศาสด า, าจาึงทรงพยากรณ์ว่าเรากล่าวทมเป็นเครื่องละความพอใจในกามและโทมนัสเสียสองอย่างเป็นเครื่องบรรเทาความง่วงเป็นเครื่องห้ามความสำราญ มีอุเบกขากับสติเป็นธรรมบริสุทธิ์มีความตรึกประกอบด้วยธรรมเป็นเบื้องหนาง้าว่าธรรมเป็นเครื่องพ้นจากกิเลสที่ควรรู้ทั่วถึงซึ่งเป็นเครื่องทำลายอวิชชาความเขลาไม่รู้แจ้งเสียได้พุทยะมานกก็จึงได้กราบทูลถามต่อไปว่าโลกมีอะไรผูกพันไว้อะไรเป็นเครื่องสัญจรของโลกนะั้น ท่านกล่าวกันว่านิพพานนิพพานดังนี้เพราะละอะไรได้พระพุทธองค์ก็จึงเดชะตอบไปว่าโลกมีความเพลิดเพลินผูกพันไว้ความตรึกเป็นเครื่องสัญ จ, จรของโลกนั้นท่านกล่าวกันว่านิพพานนิพพานดังนี้เพราะละตัณหาเสียได้อุทยมามนกก็กราบทูลถามต่อไปว่าเมื่อบุคคลมีสติระลึ ลลึกอย่างไรอยู่วิญญาณจึงจะดับข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาเฝ้าเพื่อจะทูลถามพระองค์ขอให้ได้ฟังพระวาจาของพระองค์เถิดเพื่อบรมศาสดาจึงตรัสว่าเมื่อบุคคลไม่เพลิดเพลินเวทนาทั้งภายในภายนอกมีสติระลึกอย่างนี้วิญญาณจึงจะดับ เมื่ออุทยะมานุได้กราบทูลถามปัญหาจบแล้วโปสาระมโพสาละมนุปก็จึงได้ทูลถามปัญหาเป็นอันดับที่สิบสี่ว่าข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะทูลถามปัญหาจึงได้มาเฝ้าพระพุทธ ม, มพระองค์ผู้สาแดงพระปีชาญาณในการเป็นอดีตไม่ทรงวันไหว มีความสงสัยอันตัดเสียรได้แล้วบรรลุถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งตวงข้าพระพุทธเจ้าขอทูลถามถึงญาณของบุคคลผู้มีความกำหนัดหมายในรูปชัดแจ้งละรูปราลมทั้งหมดไปแล้วเห็นอยู่ทั้งภายในภายนอกว่าไม่มีอะไรสักหน่อยหนึ่งบุคคลเช่นนี้ควรจะแนะนำสั่งสอนให้ทำอย่างไรต่อไป พระพุทธองค์ก็จึงทรัสตอบว่าตถาคตเจ้าทรงทราบภูมิเป็นที่ตั้งแห่งบิญญาณทั้งหมดจึงทรงทราบบุคคลผู้เช่นนั้นแม้ตั้งอยู่ในโลกนี้ว่ามีอัธยาศัยน้อมไปในอากิจัญญายัตนะภพมีความเพลิดเพลินยินดีเป็นเครื่องประกอบด้วยดังนี้แหละลำดับนั้นย่อมพิจารณาเห็นสหาชาตรธรรม ในอากินจัญญายตนะฌานนั้นแจ้งชัดโดยลักษณะสามข้อสามข้อนี้เป็นฌานอันทองแท้ของพรามเช่นนั้นมีพรหมจรรันได้ประพุทธหมดแล้วเมื่อโปสาระมานกได้ทูลถามปัญหาจบแล้วโมคะลาชะมานกก็จึงได้ทูลถามปัญหา เป็นอันดับที่สิบห้าความจริงแล้วโมคราช า, านพุนีได้ทูลถามปัญหาแก่พระพุทธองค์นั้นเป็นอันดับที่สองเมื่ออจิตมานพได้ทูลถามปัญหาจบไปแล้วแต่ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงยับยั้งไว้โดยกล่าวว่าโมคราชา เธอจงหยุดก่อนให้คนอื่นถามไปก่อนเทอแต่ความจริงแล้วโมคราชนะนี้ต้องการจะถามเป็นคนแรกเพราะตนคิดว่าโดยที่ตนเห็นว่ามานกทั้งสิบห้าคนนั้นมีปัญญาสู้ตนไม่ได้แต่ว่าเกรงใจเพราะเหตุที่ว่าอาชิตะมานกนั้นเป็นหัวนหน้า ก็จึงจะถามเป็นอันดับที่สิสองอันดับที่สองแต่พระพุทธองค์ก็ทรงยับยั้งไว้จนกระทั่งเมื่อคนที่แปดได้ถามปัญหาจบไปแล้วโมคะะโมคลาชะมานพนี้ก็ปราลบที่จะทูลถามปัญหาเป็นคนที่เก้าต่อไปพระองค์ก็ทรงยับยั้งไว้อีกว่าให้คนอื่นเขาถามต่อไปก่อน โมคราชานี้จึงรอจนกระทั่งมานกคนที่สิบสี่ถามปัญหาแล้วจึงได้กราบทูลถามเป็นอันดับที่สิบห้าว่าในปัญหาของโมคมานกนั้นมาโมคมานกได้โมคราชามานกจึงได้กราบว่าข้าพระพุทธเจ้า ได้ทูลถามปัญหาถึงสองครั้งแล้วพระองค์ไม่ทรงแก้ประทานแก่ข้าพระพุทธเจ้า <c oughs> ข้าพระพุทธเจ้าได้ยินว่าถ้าทูลถามถึงสามครั้งแล้วพระองค์จะทรงแก่ท่านว่าอย่างนี้แล้วก็จึงได้ทูลถามเป็นปัญหาับโลกที่สิบห้าว่าโลกนี้ก็ดีโลกอื่นก็ดีพรหมโลกกับทั้งเทวโลกก็ดีย่อมไม่ทราบความเห็นของพระองค์ เหตุฉนี้จึงมีปัญหามาถึงพระองค์ผู้มีปรีชาเห็นล่วงสามัญญชนทั้งปวงอย่างนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะพิจารณาเห็นโลกอย่างไรมัรจุราชคือความตายจึงจะไม่แลเห็นคือตามไม่ทันพระบรมศาสดาจึงได้ทรงพยากรณ์ว่าเธอจงเป็นคนมีสติพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าถอนความเห็นว่า ตัวของเราเสียทุกเมื่อเธอเธอจะข้ามร่วงมัจจุราชเสียได้ด้วยอุบายอย่างนี้เธอพิจารณาเห็นโลกอย่างนี้แล้วมัจจุราชจึงจะแลมไม่เห็นเธอเมื่อโมคราชากราบทูลถามปัญหาจบแล้วปิงขิยมามนกจึงได้กราบทูลถามปัญหาเป็นอันดับที่สิบหกคือเป็นคนที่สุดท้าย ปัญหาของปิงขิยะมานพนั้นว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนแก่แล้วไม่มีกำลังมีผิวพรรณสิ้นไปแล้วดวงตาของข้าพระพุทธเจ้าก็เห็นไม่กระจ่างหูก็ฟังไม่สะดวกขอข้าพระขอข้าพระพุทธเจ้าอย่าได้เป็นคนหลงชิบหายเสียในระหว่างเลย ขอพระองค์จงตรัสบอกธ ร, รมที่ข้าพระพุทธเจ้าควรรู้เป็นเครื่องละชาชลาในอัตภาพนี้เสียพระพุทธองค์ก็ตินได้ตรัสว่าเธอเห็นว่าชนทั้งหลายผู้ประมาทแล้วย่อมเดือดร้อนเพราะรูปเป็นเหตุเพราะฉะนั้นเธอจงเป็นคนไม่ประมาทละความพอใจในรูปเสียจะได้ไม่เกิดอีก ปิงขยะมาน ก, ก็จึงได้กราบทูลถามต่อไปว่าทิศใหญ่สี่ทิศทิศน้อยสี่ทิศเป็นสิบทิศทั้งทิศเบื้องบนและทิศเบื้องต่ำที่พระองค์ไม่ได้เห็นแล้วไม่ได้ฟังแล้วไม่ได้ทราบแล้วไม่ได้รู้แล้วแม้น้อยหนึ่งมิได้มีในโลกข้าพระองค์ขอพระองค์จงตรัสบอกธรรมที่ข้าพระองค์ควรจะรู้ อันเป็นเครื่องละชาชลาในอัตภาพนี้เสียพระบรมศาสดาก็จึงได้ตรัสต่อตอบิงกิยะมนกมนันว่าเมื่อเธอเห็นหมู่มนุษย์อันตันหาครอบงำแล้ว ม, มีความเดือดร้อนอันเกิดแล้วมีความเดือดร้อนเกิดแล้วอันชลาถึงรอบข้างแล้วเหตุนั้นเธอจะเป็นคนไม่ประมาท ละปัญหาเสียจะได้ไม่เกิดอีกยิ่งิยมานกเป็นคนสุดท้ายอันดับที่สิบกได้ทูลถามปัญหากับพระพุทธองค์พระพุทธองค์นั้นก็ได้ทรงพยากรณ์ปัญหาแก่มานกทั้งสิบหกท่านในที่สุดแห่งการที่แอนพยากรณ์ปัญหานั้นปรากฏว่า มนบสิบห้าท่านตั้งแต่อาชิตะมาจนถึงโมคราชเว้นปิงคิยะเพียงท่านเดียวเท่านั้นเองได้สำเร็จอรหัสผลเป็นพระหันแต่ปิงคียะมนบเพียงผู้เดียวเท่านั้นเองได้สำเร็จแค่ดวงตาเห็นธรรมหรือว่าเป็นพระโสดาบัน เที่ได้เพียงสำเร็จเป็นโพโดาบันเท่านั้นก็เพราะเหตุที่ว่าปิงคิยมามนกนี้ในขณะฟังปัญหาพยากรณ์นั้นจิตใจไม่เป็นสมาธิคือจิตใจฟุ้งซ่านเหตุที่จิตใจฟุ้งซ่านนั้นก็เพราะเหตุเหตุที่ว่าคิดถึงอาจารย์ภาวลีซึ่งอาจารย์ภาวลีนี้ก็เป็นญาติของตัวเองคือเป็นลุง และก็เป็นอาจารย์ด้วยคิดถึงอาจารย์พาวรีว่าเสียดายที่ว่าอาจารย์นั้นไม่ได้มาฟังพระธรรมเทศนาหรือการพยากรณ์ปัญหาอันไพเราะของพระผู้มีภาคเจ้าเช่นนี้เมื่อจิตใจของตัวเองนั้นไปลำพึงหรือว่าฟุ้งซ่านไปคิดถึงอาจารย์เช่นนี้จึงไม่สามารถที่ว่าแทงตลอดหรือว่ายัางรู้แจ้งในปัญหาพยากรณ์ของพระพุทธองค์ ที่พระองค์พยากรณ์นั้นแก่มนกทั้งหมดได้ส่วนมนกคนอื่นนั้นมีจิตใจอันเป็นสมาธิได้เห็นแจ้งชัดจริงในปัญหาพยากรณ์จึงได้สําเร็จเป็นพระรหัน์ก็เพียงแต่ปิณกิยะคนเดียวเท่านั้นที่มัวคิดถึงอาจารย์เสียจึงไม่สำเร็จสำเร็จมนกทั้งสิบหกคนนี้พร้อมทั้งบริวารเมื่อจบปัญหาพยากรณ์แล้ว ก็จึงจึงได้ทูลขออุปสมบทแด่พระพุทธองค์พระพุทธองค์นั้นก็จึงได้ประทานอุปสมบทให้แก่มานกทั้งสิบหกคนพร้อมทั้งบริวารด้วยเอหิภิกขุอุสมบทาเมื่ออุปสมบทแล้ว พระพิสุซึ่งทั้งที่หกท่านก็ได้ปรึกษากันแล้วก็ได้มอบหนาทีให้ปิงคิยะมานกนำการแก้ปัญหาพยากรอันนี้กลับมาบอกแก่อาจารย์ภาวารีนาทีอาสมที่ตั้งอยู่ฝั่งโคทาวารีปิงคิยะมานกนี้พร้อมจะบริวารก็จริงได้ กลับมาอย่างอาสมของอาจารย์าพามพาวลีแล้วก็ได้แก้ปัญหานำปัญหาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาแก้ให้อาจารย์ฟังพอจบปัญหาพยากรที่ปิงกิยะมานพ์แก้ตามพระพุทธดำหลัดที่พระองค์ได้ทรงแก้นั้นปรากฏว่ า, าพามพาวลีนี้ได้บรรลุเป็นพระอนาคามี ราะฟังปัญการแก้ปัญหาพยากรณ์ปิ่งคยะอาปิ่งคยะพระปิ่งคยะเถระพร้อมด้วยบริวารเมื่ออยู่ตามการสมควรแล้วณสำนักของอาจารย์พระอภวรีนั้นก็จึงได้กลับมาอย่างสำนักของพระบรมศาสดาแล้วก็ได้บำเพ็ญเพียรได้ฟังพระโอวาสสั่งสอนของพระบรมศาสดาทรงตรัสสอนนั้นก็ได้บรรลุพระอรหัตผล บรรดาพระพิสุทั้ง16ลูกนี้นับเนื่องในพระพิสุผู้เป็นมหาเถระ86ด้วยกันแต่ว่าทั้ง16องค์นี้ที่ได้รับยกย่องเพียงองค์เดียวเท่านั้นคือท่านพระโมคคราชเถระซึ่งในแต่เดิมนั้นเป็นคนที่มีมา n a จากัก เห็นว่าทั้งสิบหกท่านนี้มีปัญญาสู้ตนไม่ได้พยายามจะถามปัญหาถึงสองครั้งพระพุทธอ ง, งค์ก็ยับยั้งไว้เพื่อต้องการที่จะกําจัดมานะในครั้งที่สามคือจึงได้ถามเป็นอันดับที่สิบห้าปรากฏวมโมคราชะเถระผู้นี้ได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นผู้เลิศกว่าพิสุทั้งหลายในด้านทรงจีวร อ, อันเศร้ามอง พระเถระทั้งสิบหกท่านนี้เป็นกำลังใหญ่ในการช่วยประกาศศาสนาอยู่มาจนกระทั่งสมควรแก่อายุไขก็จึงได้ดับขันธปรินิพานเพราะฉะนั้นประวัติของท่านพระมหาเถระทั้งสิบหกที่เราเรียกว่าโสรสะมหาเถระนั้นก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอความจเจริญผาสุขสวัสดี จงมีแก่ด้านผู้ฟังและนักศึกษาทุกๆ ท, ท, ท่านด้วยกันขอเจริญพร